ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงนี่เป็นความจริงดังนั้นทุกคนอย่าประมาทต้องมีสติลึกอยู่เสมอไม่เช่นนั้นเดียวมันก็หลงทาง เดินไปไม่ถูกทางโดยเข้าใจว่าตนยังจะไม่ตายง่ายแล้วก็เพลินก็เมาไปอย่างนี้ไม่ได้สำรวมจิตของตัวเองเรื่องนี้มันนำความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจมาให้แก่คนเราเพราะว่าความตายนี่มันมีอำนาจ เหนือชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแต่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่ย่อมหวงเห็นชีวิตนี้ไม่อยากพัดพากจากกันไปในระหว่างกายกับจิตนี่แหละการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภาวนา สอนให้อบรมจิตใจก็เพื่อที่จะแยกกายกับจิตออกจากกันฝึกขวนจิตไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็เพื่อที่มันจะไม่ได้เป็นทุกข์เมื่อเวลาความตายมาถึงเข้า ที่ไม่ได้ถือว่าเราตายเพราะแยกออกจากกันอยู่แล้วร่างกายมันก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนหนึ่งร่างกายนั้นประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนดวงจิตนั้นมีความรู้สึกเป็นสัญลญักษณ์บอกให้ว่านั่นคือดวงจิตไม่มีรูปร่าง ไม่มีสีสันวันนะอะไรอันนี้นะพ่อเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพิสูจนตัวเองให้รู้ให้เข้าใจคนไม่รู้จกกักจิตนั่นแหละจึงรักษาจิตไม่ได้ปล่อยให้จิตเลอะเทอะเหลวไหลไปตามอำนาจของกิเลส ถ้าผูใ้ใดรู้จกกักจิตแล้วอย่างนี้รู้ว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นเองไม่มีสีสันวันณะอะไรเลยธรรมชาติรู้นั่นก็พยายามรู้ตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะ จิตเดิมใจเดิมแท้มันก็มีดวงเดียวที่มันเกิดขึ้นหลายดวงตามพระอภิธรรมท่านแสดงไว้นั่นมันเกิดจากความคิดความคิดนี่มันเป็นไปหลายแง่หลายมุมพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดในสรพพเยียธรรมทั้งหลายพระองค์กำหนดรูป วาระจิตความคิดความนึกของจิตคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปอันประกอบไปด้วยกุศลธรรมบ้างประกอบไปด้วยอกุศลธรรมบ้างประกอบไปด้วยอพยากตาธรรมบ้างแล้วทรงจำแนกกุศลธรรมนี่ออกไปบันนี้หมายความว่าความคิดที่เป็นกุศลธรรมนั่นนะมันสัมปยุต ไปด้วยความไม่โลภ ค, ความไม่โกรธความไม่หลงนี่เป็นลักษณะอาการของกุศลธรรมเป็นธรรมที่ให้เกิดความสงบสุขทาง จ, จิตใจไม่นำความเดือดร้อนมาให้แก่ก จ, จิตใจลักษณะอาการแห่งอกุศลธรรม ก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงเป็นตน้นความโลภเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้จิตใจเดือดร้อนเพราะความอยากแก่ได้ไม่มีที่สุดคืออยากได้มากเกินบุญเกินวัฒนะเกินสติ ป, ปัญญาของตนไปแล้ววันนี้มันก็ไป เย่อแย่งเอาสมบัติพู้อื่นซึ่งเขาหามาได้แสนทุกแสนยากมาเป็นของตนนั่นหละลักษณะแห่งอกุศลธรรมในแก่ความโลภความโกรธความพยาบาทเหล่านี้ก็เป็นลักษณะแห่งอกุศลธรรมเพราะเมื่อบุคคลสะสมให้มากมากขึ้นแล้ว มันก็เป็นเหตุให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เกิดร้อนนั่นแหละลักษณะแห่งอกุศลธรรมให้พึงเข้าใจความหลงมันก็เป็นมูลเหตุที่ให้คนเราทำชั่วได้ทุกอย่างไปเลยเขาว่ามันหลงแล้วมันเข้าใจผิดนี่ เห็นบุญว่าเป็นบาปไปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปอย่างนี้แหละเห็นว่านี่ทางไปสู่ทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทางไปสู่ความสุขความเจริญแล้วมันก็เดินไปทาตามทางที่ผิดนั้นนะอ่าอย่างนี้แหละดังที่คนเราสั่งสมบาปอากุศลอยู่ในโลกนี่แหละก็เพราะวันมองไม่เห็น ทางอื่นที่จะให้ความสุขแก่เขาเช่นเลี้ยงสัตว์ไปแล้วฆ่าชาแหละเนื้อมาขายหรือไปซื้อสัตว์มาแล้วกลับมาฆ่าชาแหละเนื้อขายเลี้ยงชีพอย่างนี้นะเขาเข้าใจว่ามันหาเงินได้ง่ายได้ใช้จ่ายคล่องแคล่วดหีหรือไป ตกปลามาขายเลี้ยงชีพ อ, อย่างนี้ไปล่าสัตว์ในป่ามาขายเลี้ยงชีพไปหลอกโกงลวงไปช่อโกงเขาเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขามาเลี้ยงชีพนึกว่ามันง่ายเพราะเขาหาไปแล้วเราก็ไปแย่งเอามาเราไม่ต้องกำนันทนเด็ด ทำกานงานอะไรเลยก็ได้เงินทองใช้จ่ายอ่อลูกใครเมียใครผัวใครไม่ว่าจีบทั้งนั้นเพราะว่าพวกที่เป็นเมียเป็นผัวคนอื่นแล้วมันชินกับในเรื่องกรารมคุณมาแล้วจีบง่าย แสวงหาความสนุกสนานในกามคุณไปเข้าใจว่าเป็นความสุขของมึนเมาต่างๆของเสพสิให้โทษทต่างๆหมดนั้นเมื่อทดลองดูแล้วรู้สึกว่ามันสบายกายสบายใจปลอดโกงดีทำการงานอะไรก็ไม่เหน็ดเหนื่อยอ แต่เมื่อบริโภคนานเข้านานเข้าก็ติดพอติดแล้วมันก็ออกไปได้เงินทองมีเท่าไรก็จ่ายไปเพื่อของเสพสิส่เต่านั่นจนหมดเนื้อหมดตัวชีวิตก็อับเฉาเหมือนระจัน์ในข้างแรมทั้งหมดนีล้วนแต่หลงทั้งนั้นเลยเข้าใจผิดคิดว่า การกระทําเหล่านั้นลงไปแล้วมันจะอํานวยความสุขให้แก่ตนมนุษย์ส่วนมากมักจะต้องการความสุขในปัจจุบันนี้เท่านั้นโลกอื่นแล้วไม่ต้องการเป็นอะไรก็ช่างมันเพราะตายไปแล้วเราไม่รู้อะไรนี่ก็เป็นความหลงอันหนึ่งที่บุคคลเข้าใจว่าตายแล้วมันแล้วไปเราก็ไม่รู้อะไรหรอกไปโลกหน้าแล้ว นั่นเรียว่าหลงเข้าใจผิดไปเนื่องจากว่าไม่เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแหละถ้าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้ว่าคนเราเนี่ยทำกรรมดีหรือกรรมชั่วอะไรไว้ในโลกนี้เมื่อจิตวิญญาณลากจากร่างกายอันนี้ไปแล้วไปสวยสุขหรือสวยทุกข์ อยู่ในโลกอื่นเช่นนี้ย่อมระลึกได้เลยในตําราท่านกล่าวไว้กานว่าผู้ที่เสวยทุกขกันนี่กระบอพิจารณารู้เห็นนะโอ๋ตั้งแต่เป็นมนุษย์เราได้ทําบาปอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นฆ่าสัตว์เป็นต้นเหล่านี้แหละบาปกรรมมันนั้นจริงได้นํามาสู่นรกอบายภูมิได้ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ ผูกทำกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนในโลกนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในที่สุขสบายมันก็รู้ได้ก็นึกถึงว่าเรามีความสุขสบายอย่างนี้เพราะตั้งแต่เป็นมนุษย์เราได้ทำบุญกุศลอะไรหนออย่างนี้นะ พ อ, อนึกไปมันก็รู้ได้เลยอ๋อเราได้ให้ทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ไหว้พระได้เคารพนมน้อมต่อพระพุทธธรรมระสรองได้เคารพต่อมารดาบิดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณอื่นๆเราได้ประพฤติ ท, ทำเหล่านี้มา บุญกุศลจึงได้ดลบรรดาลให้เราได้มาเกิดในที่สุขสบายอย่างนี้มัน ร, รู้ได้ทางนั้นเลยเป็นอย่างนั้นแต่ผู้หลงแล้วผู้ไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะเข้าใจผิดไปว่าตายแล้วแล้วไปเลยมันจะเป็นอะไรก็เราก็ไม่รู้หรอกอันนี้ขอ ให้เข้าใจเสียว่ามันผิดไปความเหมนอย่างนี้นะขอให้กลับความเหมนให้ถูกใหม่เสียให้กลับความหมนให้ถูกว่าบุญกรรมบาปกรรมนี่มันบันดาลให้รู้ได้ไม่เหมือนอย่างการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่คนส่วนมากก็ระลึกชาติผลหลังไม่ได้แต่การเกิดไป ไ้เกิดในโลกหน้าเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเปรตก็าทามันย่อมระลึกถึงกรรมวิบากที่ตนทำได้ระลึกถึงบุญกุศลที่ตนทำได้ขอให้เข้าใจอย่างนี่มจึงจะสมกับว่าชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาย่อมไม่เห็นผิดจากทำนองคลองธรรม เพระพุทธองค์ไม่ได้โกหกคนเพพระองค์สร้างบา ร, รมีมาตั้งสีอสงไขยปลายแสนมหากับขึ mm ้น hmm. มาละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปในสัตว์รู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระองค์ทรงรู้แจ้งสัพเพเยนยธรรมทั้งหลายมีกุศลธรรมอกุศลธรรมอัภยากตาธรรมเป็นต้น ดังกล่าวมานั้นหมายความว่าทำทั้งหลายเหล่านี้นะเมื่อบุคคลได้สร้างให้เกิดให้มีขึ้นในตนทมเหล่านี้จะนำบุคคลไปเกิดที่สุขสบายได้แก่กุศลธรรมนำไปเกิดที่ทุกข์ที่ยากลำบากได้แก่อกุศลธรรมส่วนอัพยากาตาธรรมนั้น กล่หมายเอาทมที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแต่ท่านกล่าวไว้ในตำลานั้นหมายถึงลูกประชานอารุปฌานนูน่นเพราะว่าท่านผู้ได้บรรลุฌานสมาบัตเหล่านั้นแล้วย่อมมีจิตเป็นกลาง ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแต่ความจริงแล้วนะเป็นบุญนั่นแหละแต่เป็นมหากูุสนผู้ได้บรรลุฌานสมาบัตแปดเป็นมหากูุสนเป็นกูุสนใหญ่ไปอย่างนั้นแต่ถ้าว่าตามธรรมดาแล้วก็หมายถึงว่าหมายถึงธรรมที่ไม่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป เป็นกลางกลางจะพากันเข้าใจนี่แหละทำทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากดวงกิจนี้ไม่ได้เกิดที่อื่นพระองค์ได้ทรงอบรมพระไทยของพระองค์ให้บริสุทธิ์พุทธ่องจากอาสวักิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายแล้วจึงได้มีพระปัญญาปรีชา อย่างรู้สภาวธรรมดังกล่าวมานี้โดยแจมแจ้งไม่มีผิดเลทรงจำแนกออกไปว่ากุศลทำนี่นำให้เกิดสวรรค์บ้างเกิดพรหมโลกบ้างถ้าบำเพ็ญให้มากขึ้นไปกว่านั้นก็ถึงได้บรรลุถึงโลกุตรธรรมเป็นธรรมเหนือโลก ก็อาศัยกุศลธรรมนี่เองแหละท่านเรียกว่าโลกุตระกุศลเป็นอย่างนั้นส่วนอกุศลธรรมธรรมที่เป็นบาปเป็นโทษยอมอำนวยผลให้แก่บุคคลผู้กระทให้ไปตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างพ้นจาก เปรตจากสัตว์ดิบดิฉานมาแล้วบาปกรรมยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นคนกว่าเป็นคนทุกคนพลภาพร่างกายไม่สมบูรณ์พิบัติส่วนได้ส่วนหนึ่งไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้อมอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่อย่างเช่นคนง่อยเปียเสียขาตาบอดหูหนวกอะไรต่างๆหมดนี้นะ นั่นแหละเดียกว่าเศษบาปมันยังไม่หมดมันก็ตามมาสนองเอาแต่เศษบาไม่หมดมายควาว่าไอบาบา น, นั่นที่จะให้เกิดเป็นสัตว์สิ่งนี้ไรชาเนเป็นเปรตนั้นไม่ได้แล้วมันเบามากแล้วบุญกุศลที่มนุษย์ทามานั่นแะมันก็มีอยู่บ้างบานี้นั่นแหละบุญกุศลนั่นนหละนำมาให้เกิดเป็นคน แต่บุญมันน้อยบาปมันก็แทรกเข้ามาได้ปะนี้มันก็มาตกแต่งอวัยวะร่ า, รางกายไม่สมบูรณ์ให้บาปส่วนที่เป็นบาปนะมันเป็นอย่างนั้นไอ้พากันเข้าใจนั่นแหละพวกที่เกิดมาในโลกนี่แล้วอวัยวะร่ า, รางกายไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกหลภาพดังกล่าวมานั้นล้วนแต่พ้นจาก นรกหรือจากเปรดจากอสุรกายจากสัตว์เดรัจฉานมาเศษบาวยังไม่สิน้นแล้วก็พามาเกิดในโลกนี้ก็ให้มีร่างกายทุกผลภาพอย่างนั้นเองให้ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ดีไม่เสียหายส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นว่าตาบอดหูหนวกอันนี้ก็ไม่มีขัน ขาด้วนแขนด้วนก็ไม่มีเป็นใบเป็นบ้าก็ไม่เป็นอย่างนี้นะอันนี้แสดงว่าแต่ชาติก่อนเป็นผู้ได้เสวยวิบากกรรมนั่นหมดแล้วบัณฑิบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมาอำนวยผลให้มาได้เกิดเป็นคนมีร่างกายบริบูรณ์ทุกส่วนต้องเรียนรู้ไว้เหตุปัจจัยของชีวิต มันเป็นมาอย่างนี้แหละอืมผู้ใดเรียนรู้ว่าอย่างนี้แล้วมันก็กลัวความทุกข์อืมกลัวความวิบัติของอัตภาพร่างกายเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่ทําบาปเพราะบุคคลมานึกว่าตนยังละกิเลสไม่หมดจําเป็นต้องได้เกิดอีกเพราะได้ทํากรรมดีกรรมชั่วต่าง บาตนี้ก็จะเว้นจากกรรมันชั่วเพราะไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการความทุกข์อย่างนั้นอผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็มันก็เว้นได้ออะ呀มมันก็เว้นจากบาปผ้าประการด้านได้เว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกลาม่าวมุสาว่าตืตมสุราเมรยัยกัญชายาผินเฮโรอีน ถ้าเป็นนักบวชได้สมทานสินแปดสินสิบสินสองร้อยี่สิบเจดและอย่างนี้ก็พยายามรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ร่วงละเมิดสิกขาบทพุทธบัญญัติต่างๆนั่นเพราะว่ากลัวกรรมชั่วนี่มันจะไปตกแต่งให้ตนได้รับทุกข์ทนทรมานในโลกหน้าต่อไปหรือในปัจจุบันนี้ ปัจจุบันนี้ก็ผู้ใดล่วงศิขาบทวิย์ในน้อยใหญ่ถ้าว่าไปล่วงศิขาบทอันหนักเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ขาดจากความเป็นนักบวชไปเลยต้องไปเป็นคารืหัดนั่นแ่ถ้าต้องโทษขนาดกลางขนาดเบาลงมานี้ หากว่าเปิดเผยออกมาเสียสรภาพผิดตรงมาแล้วก็อยอมให้สงลงโทษตามระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เมื่อยอมรับโทษนั่นไปครบกำหนดแล้วก็เพดอันว่าพ้นบาปพ้นโทษนั่นไปได้เนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นคารยหาดพูดเมื่อรู้ว่า ศีลของตนด่างพร้อยหรือมันขาดด้วยความประมาทเรินเล่ออย่างใดอย่างหนึง่งเมื่อรู้ตัวแล้วก็มาขอสมทานศีลกับพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าผู้สมทานศีลห้าอย่างนี้จะขอสมทานศีลห้ากับผู้รักษาศีลแปดมาก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร นี่โทษทั้งหลายในโลกนี่บุคคลสามยอดสามารถละได้แก้ได้บางอย่างนะบางอย่างก็แก้ไม่ได้อย่างว่านั่นเลยแล้วก็ต้องเปลี่ยนเพศเสียใหม่แล้วพูทันธาวารักษาสินห้าสินอุบสตรไป มันก็เป็นบุญเป็นกุศลไ ป, ป, ป, ป, ป, ไปนนส่วนที่เป็นบาปมันก็เป็นบาปไปบวะนี่ส่วนนี้เป็นบาปมันก็เสวยผลของบาปไปเมื่อพ้นจากผลของบาปนั่นแล้วก็มาสเสวยผลบุญที่ตนได้กระทาบําเพ็ญมาเช่นนี้แหละคนเราอ่ะมันทําทั้งบุญทั้งบาปเมื่อทําบาปแล้วก็ไม่มีปัญญาละเว้นสะสมบาปนั่นติดตัวไป เช่นนี้มันก็ต้องมันก็ต้องอานวยผลให้เป็นทุกข์แน่นอนถ้าผู้ใดรู้ว่าตนทำบาปแล้วอย่างนี้สารภาพผิดมาปฏิ ญ, ญาณตนต่อหน้าผู้ทรงศีลทรงธรรมแล้วไม่ทำต่อไปอีกบนเพ็ญกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปอย่างนี้แล้วบาปมันก็ตามไม่ทันก็ให้เข้าใจกัน ไม่ใช่ว่าผู้ใดทำบาปอันใดต้องได้สวยผลเรื่องบาป น, นั้นทุกกรณีไปไม่ใช่อย่างนั้นนะบาปที่เป็นลหุกรรมเป็นกรรมมันเบานี่นะเมื่อบุคคลรู้ตัวสารภาพผิดเสียแล้วตั้งใจสำรวมระวังต่อไปไม่ทำอีกต่อไปอย่างนี้นะมันมันสามารถหมดไปได้บาปนั้นนะระงับไปได้ ต้องให้เข้าใจอย่างนี้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่าไปสงสัยลังเลต่ตางๆบางคนก็ไม่เข้าใจนะนึกว่าตนทำบาปลงว้จะได้รับบาปไปทุกอย่างก็เลยเลยตามเลยไปอย่างนี้มีอยูม่มากมายเพราะฉะนั้นจึงขอแนะนำไว้ในในที่นี้เลยว่า ละโหกรรมอันบาปเบานี่นะบาปอย่างเบาได้แก่การฆ่าสัตว์ไม่ถึงฆ่ามารดาบิดาไม่ถึงฆ่าพระอรหันต์อย่างนี้นลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาตกล่าวมุสาวาตนี่ถ้าเป็นพระภิกษุ สามัเห็นไม่ถึงกับไปอวดอุตริมนุษยธรรมนีว่าพูดพลธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ดื่มสุราเมลัยกัญชายาวินเฮโร อ, อีนโมนีท่านจะต้อเป็นละหุกรรมเป็นกรรมเบาบุคคลละได้เมื่อเห็นโทษของมันแล้วควรจะพากันเห็นโทษแห่งกรรมชั่วเหล่านี้เลย เพราะว่าแต่ละคนท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารนี่มากไม่เหลือที่จะครนานับชาติตะพบไม่ทวนเลยบางทีจะคบคนชั่วเขา้าบางชาติน ะ, ะคนชั่วเราสักสวนทําบาปมีฆ่าชาติเป็นต้นดังกล่าวมานั่น เอ้าตายแล้วก็ไปไหม่ในนรกอีกอย่างนี้กระทนทุกทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยบัดนี้เมื่อเรามารู้ตัวกันอย่างนี้แล้วเรามาได้พบพุทธศาสนาคำสอนของพุทธเจ้าแล้วพวกควรที่จะพากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ บาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรอย่างนี้เมื่อได้เข้าใจแจ่มแจ้งโดยเหตุผลดังกล่าวมานี้แล้วบุคคลก็สามารถละได้ละบาปได้เป็นอย่างนั้นเหตุที่คนไม่ยอมละบาปนั้นเนื่องจากมันไม่รู้อย่างว่านี่แหละมันไม่รู้เหตุผลของบาปกรรมด้วยปัญญาของตัวเองแม้ว่า จะได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามรู้อยู่ว่ามันเป็นบาปแต่มันละไม่ได้กษัเดงว่าไม่รู้แหละอืมหมายความว่าอย่างนั้นผู้ใดรู้ว่าเป็นบาปแล้วนี่ละได้ผู้นั้นจึงเรียกว่ารู้รู้แจ้งในบาปเป็นอย่างนั้นดังนั้นจงพยายามค้นคว้าเหตุผลให้รู้แจ้งในบาปกรรมความชั่วได้ตนเองอ แล้วตั้งสัจจะอธิษฐานละเวทมันลงไปต่อหน้าผู้มีศีลมีธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานั้นเมื่อลาบาปได้แล้วตั้งหน้าทาแต่บุญกุศลน่ะมันก็จะทำความเกิดแก่จิตใยให้น้อยลงน้อยลงโดยลำดับไปเมื่อบุญเมื่อตั้งหน้าทาแต่บุญกุศลชาติใดเกิดปากับมาทาบุญ สั่งสมบุญกุศลไม่ทำบาปอย่างเงี้ยบุญมากมากขึ้นโดยลำดับในที่สุดมันก็เต็มได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมาแทรกแซงมารบ ก, กวนเมื่อบุญกุศลเต็มแล้วส่วนมากก็นําให้ไปเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้เกิดพบพระพุทธเจ้ายิ่งดีหลาย เมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็มีศรัทธาออกบวชขอบวชเลยเพราะบุญของท่านเหล่านั้นเต็มแล้วเป็นลูกเศรษฐีก็ไม่ยอมรับโปรดดกจากบิดามานดาอย่างเช่นมีพระรัฐบาลเป็นต้นยอมสละสมบัติอันมโหฬาร น, นั้นออกบวชเดีวเจริญธรรมถาววิัสนาไป ไม่นานท่านก็ได้สำเร็จอราหารันเนี่ยเรียกว่าบุญเต็มแล้วบุญอันเป็นส่วนโลกีแต่มันเต็มแล้วเมื่อมันเต็มแล้วมันเบื่อที่ันนี้นะพิจนาเห็นความสุขเหล่านั้นแล้วไม่ไม่กีรังยั่งยืนเลยแม้จะตายแล้วเกิดขี่ภพกิจชาติมาสเสวยสุขสมบัติอันบุญตกแต่งให้นี่มันก็ไม่มีความสุขยั่งยืน เป็นสุขไปชั่วระยะหนึ่งแล้วความแก่ความเจ็บความตายมาถึงเข้าแล้วก็ได้พบกับความทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนั้นนี่แหละขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีสรุปใจความแล้วเรียกว่ากุศลธรรมนำบุคคลให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจนตราเผ้าถึงความสุขในพนิพานอันเป็นสุคนิรันดนการ ไม่มีเสื่อมเลยอากุศนธรรมนำบุคคลผู้สังสมให้ไปเกิดในที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากไปโดยลำดับจนถึงอาเวจีมหานรกเป็นนรกที่มีความทุกข์มากที่สุดดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้